ตาว่ายังไงหลอนตื่นขึ้นมาเห็นภาพอันน่าหวาดกลัวที่สุดนี้เพียงคนเดียวพิซซัดของนางเกียร์หลอกหลอนหลอนเลยเป็นไปไม่ได้สมองอัญชานฉลาดและมีเหตุผลของหล่อนบอกตนเองสมมุติว่าภาพที่เห็นเป็นภาพของปรากฏการณ์แห่งวิญญาณผู้ตายจริงโดยตาหล่อนไม่ได้ฝาดหลอนตัวเองวิญญาณ น, นั้นก็ได้สำแดงออกในด้านเป็นมิตรขอให้การช่วยเหลือมาก่อนแล้วมิฉะนั้นชะไหนเลยทั้งหล่อนและพรานใหญ่ จะหนีฝูงหมานรกที่กำลังไล่ล่าขึ้นมาปลอดภัยอยู่บนนี้ได้ก็แล้วเหตุใดภาพอันน่าสยองกลัวที่เห็นจึงมาปรากฏในลักษณะนั้นมันน่าจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่าปีศาจของนางเทียต้องการที่จะให้หลอนจำได้จึงมาในรูปกายของศพซึ่งถูกสังหารโหดเยี่ยมทารุณในวันนั้นเพื่อแนะนำตนเองเท่ากับว่ามันจะต้องเป็นการมาดีไม่ใช่มาลายแน่นอน ลักษณะที่โบกไม้โบกมือแสดงอาการทุรนทุรายลักษณะของปากที่อ้าเหมือนจะบอกความอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นน่าจะหมายถึงการมาเพื่อเตือนข่าวร้ายเตือนภัยอะไรสักอย่างดารินรู้ตัวดีว่าก่อนหน้าที่จะตื่นขึ้นมาพบเห็นกับสิ่งอันน่าวาดเสียวที่สุดนี้ห ล, ล่นเผลอม้อยหลับไปและตื่นขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนมีอะไรมาดนใจปลุกขึ้นอย่างจู่โจม ราชสะกุลสาวยืนกัดริมฝีปากแน่นไปผุดไปเกิดซะเถอะเทียหล่อนพูดในใจตั้งจิตแผ่ส่วนกุศลไปให้และขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มาบอกมาเตือนให้จำได้ฉันรู้แล้วละ่ะว่าเธอมาบอกเรื่องอะไรหญิงสาวขยี้แขนที่กำลังขนลุกชันอยู่โดยแรงสำรวมใจเป็นปกติเย็นเยียบลงในบัตรนั้นบัตรนี้ หลอนไม่มีความหวาดกลัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสิ่งที่หลอนเห็นทําให้เชื่อสนิทแล้วในเรื่องอํานาจของความลี้ลับเรื่องพูพ้ผีปีศาจและ ว, วิญญาณซึ่งไม่เคยคิดจะเชื่อมาก่อนและในเมื่อเจ้าสิ่งลี้ลับมหัศจัณ น, นีมีอยู่จริงเดี๋ยวนี้หลอนก็ไม่ได้เดียวดายนักอย่างน้อยที่สุดปีศาจของนางเทียก็จะต้องคอยให้การช่วยเหลือหล่อนอยู่เหมือนอย่างที่เคยปรากฏร่างมาเป็นคนธรรมดา นำทางหนีให้แล้วเมื่อหัวค่ำนี้ความเชื่อมั่นเช่นนั้นทำให้นักมนุษย์วิทยาสาวเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพียบพร้อมไปด้วยพลังใจหลอนกว่าสายตาไปรอบๆโดยเร็วครั้งแรกคิดจะใส่เชื้อฟืนเพื่อให้ไฟในกองลุกโชนขึ้นตามเดิมแต่แล้วไว้พริบของการต่อสู้ก็บอกกับตนเองว่านั่นเท่ากับเพิ่มแสงสว่างเพื่อให้ศัตรูมองเห็นได้ถนัดใช่เปล่า ให้มันมือดอย่างนี้จัดว่าถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร์ที่สุดแล้วและพีนนอนหลบอยู่ในระหว่างซอกหินนั่นก็เรียกว่าก่อนจะล้มตัวลงนอนและหมดสติไปด้วยพิษไข่จอมพรานเลือกที่นอนได้เหมาะสมถูกต้องที่สุดแล้วร่างของเขาจะไม่เป็นเป้าหมายให้สังเกตได้จากด้านปากทำยิงสาวคว้าปืนลูกซองขึ้นมาทั้งสองกระบอกปืนสั้นเน็บรอบเอวเฉยได้ไฟฉาย และพทันทีนั้นก็แฝงกายในเงามืดของกลุ่มหินงอกที่ขึ้นอยู่ระเกะระกะเคลื่อนออกมายึดที่กำบงังซุ่มตัวอยู่ที่แนวหินก้อนใหญ่ซึ่งขวางอยู่ปากถ้ำตำแหน่งนี้มันจะทำให้หลอนได้ยินเสียงและมีโอกาสเห็นอะไรก็ตามที่มันจะแผ่วพานเคลื่อนตรงเข้ามาได้ดีกว่าอยู่ในเพิงเวิร์กถ้ำที่พักนอนวางปืนทั้งหมดลงเรียงรายข้างตัวอย่างแผ่วเบา คงเหลือไวแต่ F.N. กึ่งอัตโนมัติซึ่งอยู่ในอุ้งมือทั้งสองประกบกระโจมมือด้วยไฟฉายฮันเตอร์แปท่อนแล้วก็นั่งสงบจิตเงี่ยหูสดับฟังเสียงพยายามกว่าสายตาฟาความมืดเพ่งออกไปยังบริเวณลานหน้าปากถ้ำซึ่งไม่กว้างใหญ่อะไรนะักและส่วนมากก็เป็นพื้นโล่งมีก้อนหินเตียเต้ยๆงอกอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองพอที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจน โดยปราศจากกำบังมุมอับเงียบที่สุดของความเงียบก็คือความรู้สึกของหญิงสาวในายามนี้ได้ยินแต่เสียงหัวใจของตนเองเต้นภาพต่างๆในม่านตาที่เพ่งฝ่าสีดำสนิทออกไปเริ่มจะคุ้นขึ้นพระสายตาเริ่มชินมันมันจะมืดสักขนาดไหนก็ตามทีลานชะ ง, ง่อนหน้าปากรมเป็นลักษณะชานดาดฟ้าโล่งปราศจากต้นไม้ใดๆขึ้นปกคลุม แสงดาวสว่างพราวอยู่บนท้องฟ้าชี้อส่องลงมาให้เห็นอะไรได้เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใจนั้นเองหล่อนก็ได้ยินเสียงก้อนหินเล็กๆหลุดร่วงจากผนังฝาเบื้องล่ะแม้จะเบาแสนเบาที่สุดแต่ในความสังกัดและโดยจิตใจจดจ่อที่คอยจับฟังอยู่ในขณะนี้ทําให้ได้ยินเสียงถนัดมันดังขึ้นแล้วก็เงียบหายไป ดูราวก็จะเป็นเสียงที่เกิดจากอุปท า, านด้าริ้งกลั้นลมหายใจเบนปากกระบอกปืนที่พาดก้อนหินอยู่ไปทางด้านหน้าผาปลดห้ามไกลอย่างแผ่วเบาต่อมาต้นไม้ขนาดเท่าแขนที่งอกอยู่ตามรอยแตกของหน้าผาซึ่งโผล่ยอดพ้นระดับพื้นลานข้างบนขึ้นมาก็มีอาการสั่นไหวน้อยๆเหมือนจะมีอะไรเหนียวขึ้นมาเสียงใบไม้ เสียดสีกันแสกสากนิดหนึง่งแล้วก็นิ่งไปอีกมือของหญิงสาวสั่นสะท้านน้อยๆประสาททุกส่วนขมิงเกลียวเครียดแทบจะขาดสะบั้นไปแล้วเงาดำๆก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบหน้าผาด้านนั้นไม่ผิดอะไรกับเงาของปีศาจหรือสัตว์ ร, ร้ายมันเคลื่อนไหวชา้ชาๆในลักษณะหมอบราบกับพื้นกระดิบพ้นจากริมขอบผา ลงเข้ามาราวกับอาการคลานของเสือดารินแตะนิ้วรออยู่ที่ไกลปืนใช้ประสาทสัมผัสหันปากกระบอกปืนจ้องไปยังร่างที่เห็นตะคุ่มอยู่ในความมืดนั้นหล่อนใจเย็นพอที่จะยังไม่ยิงออกไปอย่างลพลีผลมเพราะคํานวณ ว, ว่าพวกมันจะต้องตามหลังกันขึ้นมาอีกลราต้องการยิงมันอย่างสัตว์ฝูงไม่ใช่ดวน ย, ยิงเซฟเพียงคนที่ขึ้นมาเป็นเป้า แล้วปล่อยให้เจ้าพวกที่กำลังตามขึ้นมาเคลื่อนไหวหลบทันตามกันขึ้นมาอย่างน้อยก็อีกสักสองสามตัวหัวใจของหล่อนร้องอย่างเฮี้ยมเกรียมดุกเดือดขบกรามแน่นและมันก็จริงดังว่าอีกสามเงาโผล่พ้นขอบผาทยอยขึ้นมาเป็นลำดับโดยเว้นระยะห่างกันไม่ถึงอึดใจข้ามันซะก่อนนายหญิง อย่าปล่อยให้มันเข้ามาใกล้ได้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรมากระซิบอยู่ที่หูถ้าไม่ใช่นางเทียก็คืออนุสติของตนเองทั้งสี่ร่างดำๆเริ่มจะยงโยยืนย่างสามขุมย่องตามหลังกันบายหน้าสวนทางปืนของหล่อนที่จ้องคอยที่อยู่ใกล้เข้ามาระยะนั้นมันห่างไม่เกินยี่สิบเก้าเท่านั้น ไฟฉายที่ประกบอยู่ใต้กระจมือก็สาดลำจ้าออกไปในบัตรนั้นจับเป้าอย่างถนัดทนีพิสูจน์ชัดออกมาว่าสายตาที่เพ่งในความมืดไม่ได้หลอกไปเลยเจ้ามนุษย์ผีดิบสี่ตนถือดาบขาวง้องในมือกำลังอยู่ในอาการย่องตอดลำไฟขนาดแปดท่อนอันสาสวนเข้าหน้ายัางกระทันหันทำให้พวกมันพังหงะอย่างตกใจทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะอย่างน้อยก็ชั่วหนึ่งในสิบของวินาที และก่อนที่พวกมันจะรู้สึกตัวเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใดทั้งสิน้นนิ้วที่เกาะติดไกรอจังหวะอยู่แล้วของดารินก็กระดิกตูมได้พร้อมกับเปลวไฟที่แลก็ออกจากปากกระบอกเป็นประกายกำปนาตกึกก้องทําลายความเงียบสงัดของป่ายามวิการสะท้อนไปทั้งผนังถ้ากลบเสียงอุทานลั่นแหลมยาวฟังไม่เป็นภาษามนุษย์เจ้าคนแรกที่ล้าหน้าเพืชอกระดินมือกลางตีนกลางออกไปเราก็ถูกขวดด้วยปลุมพุก แวบเดียวกันกับที่ปลอกกระสุนเก่ากระเด็นบื้อออกจากรังเพลิงอัวที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ก็แพรทียิปราวกระปืนกลมมันดุดันเฮี้ยมเกรียมยิ่งนักมีเสียงแพดร้องเจี๊ยกจากประสานกันฟังไม่ได้สับเจ้าสามคนที่กำลังจะเพนออกจากที่พังงะหมุนคว้างตะกายอากาศแล้วล้มกระจับกระจายไปคนละทิศละทางที่แน่นิ่งก็มีที่ดินกระเสืกกระสนตีแปลงอยู่ก็มี เลือดฟูมละเลงพื้นหินหน้าผาตอนนั้นแดงฉานทรงกลิ่นข่าวตลบขึ้นมาดารินกวาดไฟฉายจับร่างเหล่านั้นอย่างเยียบเย็นสี่นัดที่แจกจ่ายกันอย่างทั่วถึงสำหรับสี่คนคนชำนาญปืนอย่างหล่อนระหนักดีว่านั่นไม่จำเป็นต้องซ้ำให้เปรียงลูกอีกแล้วระยะเผาขนขนาดนี้แล้วก็ลูกปลายดินขับแรงสูงใกล้แบบ9้าเมตร มันทำหน้าที่ของมันได้ดีสักว่าไรฟ้นซะอีกเจ้าคนหนึ่งที่ส่งเสียงร้องครางพยายามจะครานกระสือกระสนแล้วล้มลุกหน้าขมําเดินเกลือกกลิ้งอยู่นั้นไม่มีทางรอดต่อให้มันใจแข็งทรหดสักขนาดไหนเพียงแต่อาช้าไปบ้างเท่านั้นแล้วหล่อนก็กัดฟันยิ้มอย่างเฮี่ยมเกรียมเมื่อเห็นมันคลานหัวต่าพื้นลงไปอีกครั้งพลิกงายส่งเสียงครอกอยู่ในลาคอ จากนั้นก็สงบนิ่งไปเหมือนเหมือนกับเพื่อนของมันไปนรกซะไอ้พวกผีหามาเกิดมาเรียงหน้าเขามาระพินไครวันทะลึ่งพรวดขึ้นมาด้วยเสียงปืนกายเขาอยังสั่น ง, งักงักร้องลั่นออกมาอย่างตกใจเหมือนคนตกอยู่ในฝันร้ายคุณญิงนอนอยู่ตรงนั้ น, นะระพินอย่าออกมาหลอนร้องบอกเขาไป ฉาไฟกราดไปมาบรรจุกระสุนสำรองเพิ่มเติมเข้าในหลอดกระสุนโดยเร็วอาศัยโอกาสที่ยังมองไม่เห็นเป้าหมายนี้ปิดใจต่อมานั่นเองร่างของพรานใหญ่ก็ทลาก็ามาเกาะก้อนหินที่กำบังเคียงข้างหลอนดับไฟซะเสียงกระซิบแหบๆดังมาจากร่างที่สันสะท้านนั้นหญิงสาวปฏิบัติตามที่เขาบอกทันทีดับไฟมืดลงในเงาสลัวซึ่งร่างกายเบียดแนบชิดกันอยู่ แม้จะไม่เห็นหน้าและอาการกันได้ถนักหล่อนก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเพื่อนร่วมสถานาการณ์ของหล่อนยังอยู่ในอาการของพิษไข้ทรมานหนักเขาตื่นพรวดพรวดขึ้นมาด้วยเสียงปืนและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าร่วมมือช่วยเหลือหล่อน ท, ทั้งทั้งที่ตนเองก็ท่งตัวแทบไม่ติดเสียงหายใจของรพินหอบแรงตาอันแดงกำร้อนเาทั้งสองเบิกกว้างจ้องมองขวาความมืดออกไป เอือมืออันสันเทาไปคว้าเรมิงตันที่ลอนวางเรียงไว้ข้างๆ ข, ข, ขึ้นมาแต่หญิงสาวกดไหลไว้ห้ามเร็วปรือไม่มีประโยชน์ระพินคุณทำอะไรไม่ได้เลยในขณะ น, นี้คือยิงก็ผิดเปลืองกระสุนเปล่าอยู่เฉยๆใกล้ฉันอยู่ตรงนี้แหละพร้อมกับพูดหล่อนดึงปืนคืนไปจากมือเขาเสียงระพินสบดอะไรฟังไม่ได้สับอยู่ในลาคอเหมือนจะสาบแช่งตนเองที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ แล้ถามด้วยคางที่สั่นกระซบกระทบกันกลาวะ ม, ม, มันมันมาจากทางไหนครับไปหน้าผาที่เราขึ้นมาเมื่อหัวค่านั่นแหละเกลี่ยงไปแล้วทั้งสี่ตัวนอนกั้งอยู่นั่นไงส่บปืนให้ผมกรบอย่าดีกว่าเชื่อฉันเถอะเสียงนั้นก้าวเฉียบเ้ว่ามันเจือล้นไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งจากแววตาชึ่งจ้องประสานกันในระยะใกล้ อุ้งมืออันอบอุ่นข้างหนึง่งประคองที่ใบหน้าของเขาแล้วรังให้ซบลงกับตักระพินขนาดนี้คุณไม่ใช่ระพินใครวันจอมพรานผู้ยิ่งยงคนนั้นใช้แล้วนะแต่เป็นเด็กน้อยผู้หน้าสมเพชในความดูแลของฉันจงลดศรีรษะอันแสนจเจิดชิดปึงยโสของคุณลงเสียทีเถอะอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึง่งที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนี่คุณหญิงครับหืม ทำไมผมถึงหนาวอย่างนี้ครับดารินวราฤทธิ์ทอดแขนโอบรอบกลายอันสั่นเทิมนั้นรัดเข้ามาแน่ตัวก้มลงกระซิบอุ่นแล้วหรื อ, อยังไม่มีคำตอบใดๆจากคนที่กำลังไข้ขึ้นสูง น, นอกจากเสียงฟันที่สั่นกระทบเสียงถอนใจเฮือกมือทั้งสองประสานกำแน่นอยู่ในระหว่างอก พึ่งชั่วโมงผ่านไปในความสั่งักราชสกุลสาวนั่งหลังพิงผนังผนังหินฟังเสียงน้าค้างหยดเปาะแปะปกระทบพื้นตักของหล่อนเป็นที่ซพนอนของระพินมือข้างหนึ่งลูบอยู่บนเส้นผมอีกข้างหนึ่งวางพาดอยู่บนอกประหนึ่งจะให้ไออุ่นแห่งการสัมผัสอันอ่อนโยนนั้นแทรกซึมลงไปถึงหัวใจที่สนสั่นเพราะพิษไข้ กำลังเผือเคลิมพวังไปอีกครั้งท่านใดประสาทหูก็จับเสียงหนึ่งได้มันเป็นเสียงกิ่งไม้ลั่นจากต้นที่ล้มพาดจับเชิงเขาสูงเบื้องบนลงมาลานปากถ้ำข้างลลังหัวใจอันเย็นสงบไปชั่วระยะหนึ่งของหล่อนเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกค่อยๆขยับตัวประคองศรีศรษะของระพินให้ราบลงกับพื้นเอื้อมมือไปแตะปืนกับไฟฉายที่ตั้งอยู่ในทิศทางซึ่งพร้อมอยู่แล้ว เบียดตัวเข้าหาก้อนหินอันเป็นซุ้มกำบังเบื้องหนะ้ายังไม่ทันจะสังเกตอะไรได้ถนัดในความมืดเบื้องหน้านั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงหนักๆ ห, หล่นจากที่สูงลงมากระทบพื้นดังอยู่ตุบตับพร้อมทั้งการสั่นไหวอย่างแรงขึ้นของกิ่งไม้แห้งหญิงสาวกดสวิตช์ไฟเพราะมันปรัดสว่างจ้าออกไปประทะภาพลนก็แทบตะลึงสางเขี้ยวนับเป็นจานวนสิ ไปกันยุยเยียเรากับฝูงลิงธรรมนอยู่บนต้นไม้ลมนั้นมันกําลังพากันระบายพลจู่โจมแบบรุกเงียบลงมาจากหน้าผาที่สูงขึ้นไปโดยอาศัยสะพานซ่าต้นไม้ตรงตามที่รพินกําหนดไว้ไม่มีผิดบางส่วนหย่อนตัวลงมาถึงพื้นดินแล้วบางส่วนก็ยังห้อยโหนเตรียมจะทิ้งตัวลงมาเสียงตุบตับที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่พวกมันกระโจนลงมายังพื้นอันเนื่องมาจากระดับสูงของกิ่งไม้เพราะพานใหญ่ริดกิ่งเตี้ยๆออกหมด ทันทีที่ไฟฉายพุ่งล้ำออกไปเจ้าพวกที่ลงมาถึงพื้นก็ส่งเสียงร้องขึ้นกึกก้องฟังสยองไปทุกขุมขนพากันวิ่งปราศวนแสงไฟเข้ามาอย่างรวดเร็วแทบดูไม่ทันพร้อมกับหอกดาบที่กวาดแวงขาวับมองไม่ผิดอะไรกับพูดนรกที่โผล่ขึ้นมาจากขุมอเวจี v G. ดารินทะลันขึ้นยืนเต็มตัวเหนียวไกระเบิดกระสุนออกไปทียิบสนันวันไวร่างดำดำที่แผดเสียงร้องพุ่งสวนไฟเข้ามา หกคมเมนตตีลังกาไปยัางน่าดูเหมือนเศษขยะที่ถูกไม้กวาดปัดด้วยอนุภาพของลูกเอสบางก็เต้นเรา่าพังหนักหันหลังจะถอยหนีแต่แล้วก็เจอเขาเต็มแผ่นหลังล้มกลิ้งไม่เป็นท่าพอหมดชุด5นัดของตึงอัปโนมัติกระบอกนั้นหล่อนก็เวียงทิ้งล้มลงควา้าเรมิงตันขึ้นมาแทนที่กระหน่ำยิงต่อไปไม่ยัง้งเจ้าคนสุดท้ายที่หลุดรอดมากกระสุนชุดแรกเข้ามาได้วิ่งเงื้อง่าดาบใหญ่โจนราเข้ามา ของมันห่างจากกระบอกปืนเพียงศอกเดียวเท่านั้นเพรมันระเบิดตรงเข้ากลางยอดอกไอ้ผีดิบก็กระเด็นตีนหลุกจากพื้นเหมือนถูกช้างทีบล้มผางลงกลางพื้นไม่กระดิกกระเดิยงดาบหลุดจากมือปลิวไปไกลอีกคนวิ่งถล่มพรวดเข้ามาถึงปากถ้ำหลันก็สะบัดปากกระบอกเข้าระดับกลางลําตัวอันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันวิ่งเข้าใส่โครูมเดียวแทบขาดสองท่อนหักพับกลางไส้ทะลักตาเลือกอยู่ตรงนั้น การฝึกยิงเร็วสําหรับภาวะคับขันเช่นนี้มันเคยชินช่ําชองซะละสําหรับหล่อนโดยไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาว่าเป้าหมายจะเป็นเช่นไรบ้างพอกระสุนระเบิดผ่านลํากล้องออกไปก็กระแทกกระโจมมืออันเป็นลําเลื่อนส่งกระสุนนัดใหม่ขึ้นรางเพลิงอย่างเร็วที่สุดสายปากระบอกจับเป้าหมายต่อไปในระยะติดต่อกันกว่าเจ้าพวกที่ลงมาถึงพื้นดินล้มคว่ําไปหมดหล่อนก็สอยขึ้นไปยังเจ้าพวกที่ยังไตยย้อเยื้ยอยู่บนกิ่งไม้ต่อไป ยังไม่ยอมเสียจังหวัดอีกสามนัดที่เหลืออยู่ในเร็งมิงตันทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดภาพที่แลเห็นไม่ผิดอะไรก็ฝุงลิงข้างที่ถูกปืนกิ่งไม้เล็กๆที่ขวางอยู่หักสะบัน้นไปกระจายไปในพริตาเท่าเๆกับที่ร่างดำๆอันเกาะไต่อยู่นั้นก็พลิกพลังะร่วงลงมากระทบพื้นเสียงดังพลักปะบบนไปกระสีงร้องอย่างเจ็บปวดยิ่งห่างออกไปเท่าใด โอกาสที่ม่านกระสุนจะแพ่กว้างก็มีมากขึ้นเท่านั้นสงนัดหลังทอดแห่เอาสังเขียวทั้งกลุ่มประมาณสี่ห้าคนที่คลานเดี่ยอยู่บนลำต้นด้านที่สูงขึ้นไปเดือเข้าขาบวนกันมาในระยะกระชั้นชิดพลัดหล่นลงมาทั้งหมดบางคนหงายพึงในทันทีบางคนก็เกาะดิ่งกระเดวกระเดวเหมือนนักกายกรรมกลางอากาศแต่แล้วชั่วอึดใจต่อมาก็ส่งเสียงร้องแหลมยาว ปล่อยมือหล่นมักกงรวมอยู่กับเพื่อนๆนของมันที่พลัดล่วงหน้าก่อนแล้วแล้วห้านัดชุดหลังที่บรรจุอยู่ในปั๊มแอคชั่นกระบอกนั้นก็เอาสารฤิ์เดดลงอีกภายในไม่ถึงอึดใจดารินวราริศผู้บัตดนี้วิญญาณอาฆาตแค้นของนางเทียดูเหมือนจะเข้าสิงซะแล้วก็เวียงมันทิ้งไปอีกกระชากจุดสหจากซองข้างเอวขึ้นมาอีกมือนึงยังคงถือไฟฉายกระโดดออกจากที่กำบังอย่างบ้าเลือด วิ่งปราดพ้นเพลิง่ามออกไปสุลานด้านหน้าโดยตำแหน่งนี้หล่อนย่อมสามารถจะมองเห็นพวกมันที่กำลังแตกตื่นอลล ม, มานอยู่บนต้นไม้ล้มต้นนั้นอย่างถนัดและยังเห็นขึ้นไปยังไหลผาด้านบนด้วยหญิงสาวกราบไฟฉายพอจับเป้าหมายได้ก็เล็งปังลนพลอยพลอยไปทุกร่างไม่ว่ามันจะกระจายกันอยู่ในกิ่งก้านสาขาใดบางคนกระโจนหนีลงมาจากกิ่งสูงวิ่งยางไม่คิดชีวิต หลุดพ้นหน้าผาไปคอหักแหลกเหลว อ, อยู่เบื้องหน้าเพราะความฝันหนีดีฟอที่แลเห็นพวกมันแทนที่จะเป็นฝ่ายพิชิตกลับตกเป็นฝ่ายถูกล่าสังหารอย่างเป็นบือ6นัดของจุดส5 7หจอีก6นัดของจุด44แล้วก็อีก2นัดของจุดสองแมกนัมมันหมายถึงว่าหล่อนได้ใช้ปืนครบท่วนหมดทุกกระบอกตามที่ะเตรียมไว้อย่างสะใจ ลา น, น้าปากท่ำกราดเกลื่อนไปด้วยซากศพของสางเขียวบนต้นไม้ล้มนั้นก็โปร่งโล่งตาไม่เห็นพวกมันคนใดคลานไปอยู่ให้รกอีกบัดนี้นักมานุษยวิทยาสาวพูดถล่มมนุษย์กินคนซทั้งฝูงยังคงกราดไฟฉายค้นหาเหยื่อกระสุนของหลอนต่อไปอย่างดุร้ายที่กิ่งใหญ่อันตั้งชากกับลำต้นกิ่งนงึสูงขึ้นไปทางโคนด้านบน ไฟฉายของหลอนกวาดไปสะดุดกึกจับนิ่งอยู่ที่นั่นเห็นแต่มือข้างหนึ่งทอดโอบจากด้านหลังมาเกาะกิ่งนันไว้ตัวของมันคงกำบังอยู่ทางหลังมองผาดผาดครั้งแรกแทบจะไม่รู้ว่านั่นเป็นมือและดูเหมือนจะเป็นชีวิตสุดท้ายที่หลบซ่อนนี้มรุตัอยู่จากกระสุนประการศิ์ของหลอนดารินหัวเราะออกมาด้วยเสียงคำราม หล่นกลายเป็นคนโหดเที่ยมอมไม่หิตที่สุดไปแล้วในภาวะเช่นนี้จุดสองสองแมกนัมจากลำกล้องเก้านิ้วถูกยกขึ้นอย่างใจเย็นศูนย์แตะเล็งไปที่หลังมือซึ่งเห็นโผล่ออกมาเกาะยึดโดยไม่เห็นตัวนั้นหล่นเล็งอย่างประนี่ที่สุดเนื้อแตะไกลั่นเปรียงออกไปเราก็ัเป็นการยิงเป้ากระดษไม่ทันขาดกังวานเสียงมีเสียงร้องวากลั่นมาให้ได้ยิน พร้อมๆกับมือที่เห็นอยู่นั้นโหดบูบหายไปมีสะเก็ดไม้ปลิวแวกต่อมาก็เป็นเสียงของหนักๆล่นกระทบพื้นดังตุบใหญ่หล่อนกวาดไฟต่ำลงมาที่พื้นเบื้องล่าร่างหนึ่งพุดลุกพุดล้มอยู่ที่ริมหมู่หินเตี้ยๆกายคู่งอเห็นข้างหนึ่งหดแสงไฟส่องหน้าของมันเห็นภาพของสัตว์ที่กำลังได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสระยะห่างประมาณห้าเมตรนั่นเอง หล่อนก็ส่งกระสุนนัดต่อไปเข้าเจาะสมองช่วยมันลงนรกไปซะโดยเร็วพลันทันทีที่ถูกลูกปืนแล่นผ่านกระโหลกหัวมันก็หมุนตลบรอบตัวเองแล้วก็ลมหวบลงอย่างดุษนีผาช่วขณะหนึ่งของความเป็นดุษณีนั้นหญิงสาวยืนขบกรามนิ่งสำนึกกลับคืนมาสู่ตนบอกตนเองว่าหล่อนสังหารเจ้าพวกนี้ซราวกับผักกะปา ชนิดที่ไม่เคยคาดคิดมา ก, ก่อนว่าตัวเองจะโหดเที่ยมใจรายได้ถึงเพียงนี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วเพราะเป็นการฆ่าเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ฆ่าเพื่อไม่ให้ตนเองถูกฆ่าและในการต่อสู้ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยืนอยู่ข้างฝ่ายหล่อนเหตุการณ์มันเป็นไปอย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นครั้แล้ว อึดใจต่อมานั่นเองก็แวววเสียงแสกสากดังเข้ามาใกล้าจากเบื้องหลังราชสกุลสาวหันควับมาโดยเร็วพร้ากับไฟฉายในมือและปืนในมือแต่แล้วก็ฉายไฟและจ้องปืนค้างชะ ง, งักไปเหมือนถูกสะกดด้วยความรู้สึกบางชนิดซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ถูกห่างจากที่หล่อนยืนอยู่ไม่เกินสิบเก้า ท่ากลางกลุ่มสบสางเขียวที่นอนกลิ้งอยู่ระเนระนาดร่างหนึ่งหยืนจังก้าคุ้มตัวอยู่ริมก้อนหินอยกลําไฟฉายสว่างจ้าที่สาดออกไปและเห็นอาบโชคไปด้วยเลือดซึ่งทะลักไหลเป็นทางอยู่รินรินตลอดทั้งทรวงอกและใบหน้ามือหนึ่งเกาะก้อนหินไว้อีกมือหนึ่งถือดาบกระชับแน่นตาข้างหนึ่งทะลักออกมาห้อยรุ่งริ่งอย่างสยดสยองเลือดไหลโกรกอยู่ไม่ขาดสายจากเบ้าตาข้างนั้น ข้างหนึ่งเบิกกว้างลุกวาวจ้องเขม็งมาที่หลอนดูไม่ผิดอะไรกับตางูจงอ่างที่เม่นมองศัตรูในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตปากหายใจหนักปรากฏเสียงอยู่หากหากทุกครั้งของลมหายใจอันหอบแรงนั้นเลือดจากบาดแผลทัว่วตัวยิ่งทะลักพลั้งเป็นจังหวะมันคือเจ้าหลูกหากอันสยดสยองนั้นสะกดดารินลงซะแล้ว ลอนจ้องตะลึงข้างดูมันด้วยความอนเนอ็ตอนาดสังเวชใจเหลือที่จะกล่าวไม่อาจจำได้ว่าระหว่างการบุกโจมตีของพวกมันและหลอนได้ยิงปะทะออกไปอย่างดุเดือดเผาขนนั้นเจ้ารู้บุกเข้ามาทางกลุ่มไหนโดนยิงตั้งแต่เมื่อไรและบาดแผลหวาดเสียวเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นผลมาจากอำนาจอันร้ายกาจของลูกปรายที่หลอนกระนาออกไปอย่างแน่นอน และดูไม่น่าว่ามันจะสามารถลุกขึ้นมายืนได้อีกจากบาดแผลชกันที่ปรากฏอยู่นี้ในลักษณะของศพทุเรศที่อำนาจความโหดเหี้ยมพยายามบังคับให้ลุกขึ้นมายืนได้นั้นมันเริ่มเคลื่อนไหวอย่างสามขุมโซเซใกล้หลอนเข้ามาทุกคันนักดารินยังคงยืนส่องไฟนิง่งไม่หายใจอยู่เช่นเดิมไกลขามา ไล่เข้ามาเป็นลำดับอย่างเช่มช้าดาบใบใหญ่ในมืออาบเลือดของมันค่อยๆเงื้อดเงื้อขึ้นนักบัตรนี้มันห่างจากร่างอันยืนตัวแข็งของหญิงสาวเพียงสามเก้าเท่านั้นพริบตาอันเหมือนตกอยู่ในสภาพผีอำนั่นเองมีเสียงระเบิดตูมดังกึกก้องมาจากหน้าผาและก่อนที่หญิงสาวจะทันสำนึกตัวใดๆก็เห็นร่างของบุตรชายหัวหน้าเผากินคน พังหักตัวหงิดงอปล่อยดาบหลุดจากมือเปล่งเสียงร้องโอกออกมาราวกะวัวแล้วล้มผางลงตรงหน้าแท้เท้าหลอนไม่ขยับขยื่นหรือกระดิกกระเดียอีกต่อไปหน้าตะแคงแนบดินอ้าปากค้างเลือดพลักออกมาจากปากเป็นลิ่มดารินสะดุ้งตื่นจากตะลึงหันขวับไปใช้ไฟก็เห็นพรานใหญ่ถือเอฟเ็นของหลอน ยืนพิงอยู่กับก้อนหินปากท่ำหญิงสาววิ่งทลาเข้าไปโดยเร็วประคองไว้ร้องออกมาเสียงลั่นระพินทำไมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะจะรอให้มันฆ่าเหรอเขาพูดน้ำเสียงมีกังวานนั้นหล่อนไม่สนใจกับคำถามนั้นพยายามจะฉุดประคองให้กลับเข้าไปในที่กำบงังและในทันทีนั้นก็ถูกวงแขนทั้งสองประวัดร่างของหล่อนเข้ามาแนบปูกเป็นอ้อมแขนที่มั่นคง ไม่ได้สั่นเทาเหมือนเดิมดารินลูบคลำตามตัวเขาโดยเร็วแล้วซบหน้าลงกับแผ่นอกนั้นกอดตอบแน่นร้องอุทานออกมาอย่างยินดีจนลืมตัวระพิษคุณข้อ ย, ยิงชั่วแล้วฉันดีใจเหลือเกินต่างคนต่างอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันอยู่เช่นนั้นนิ่งนานด้วยแกนแพ้ของหัวใจอันอยู่นอกเหนือบังคับเสียงดารินพึมพำอะไรออกมาฟังไม่ได้สับ หล่อนหลับตาซบพิงอยู่กับรวงอกนั้นอย่างอบอุ่นเป็นสุขห่งางไกลจากข้อวิตกกังวลใดๆอีกแล้วทั้งสิ้นระพินไพยวันกลับฟื้นคืนคงขึ้นมาเป็นหลักประกันอันมั่นคงให้แกหล่อนแล้วภายหลังจากตายไปชั่วระยะเวลาหนึ่งทอดทิ้งให้หล่อนต้องเผชิญกระทุกสิ่งทุกอย่างชนิดโดดเดียวเดียวใดแทบจะเอาชีวิตไม่รอด